ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย <c oughs> อาจจะมาขอแสดงความยินดใีในการมาของท่านทั้งหลาย <c oughs> สู่สถานที่นี่ให้ในลักษณะอย่างนี้ คือหาความรู้เรื่องธรรมะไม่เพื่อประกอบการศึกษาก็ได้ไม่เพื่อประกอบกิจการงานในหน้าที่ก็ได้ <c oughs> ธรรมะนี่มัน มีอะไรหลายอย่างที่เป็นพิเศษในลักษณะที่เล่นลับก็ได้ลึกลับกนได้ศักดิ์สิทธิ์กายศะศิทธิ์ก็ได้ถ้ารู้จักใช้มันก็จะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยสิ่งที่เรียกว่าทำเพียงคำเดียวเท่านั้นแหละขอท้าทายว่าทำพยางเดียวนะจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้ขอแต่ให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งนี้โดยถูกต้องและ ครบถ้วนจริงๆ <c oughs> อย่างเช่นธรรมะเป็นคู่ชีวิตขาดธรรมะจะต้องตายและตายในทันทีด้วย <c oughs> ธรรมะอย่างนี้นแปลว่าหน้าที่หน้าที่ หน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะโดยแท้จริงนั่นตัวหนังสือในภาษาโบราณจริงๆนั่นแปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนแต่และคำสั่งสอนก็เรื่องหน้าที่นะหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นก็ต้องทำไม่ทำมันก็ตาย คนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้นี่ก็ตายเราไม่ทําหน้าที่หมายความว่าเซลทุกๆชีวิตที่มันประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันทําหน้าที่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเซลล์ทั้งหลายไม่ทําหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวไม่ตนนัน <c oughs> ที่มันเป็นสัดส่วน เป็นอวัยวะขึ้นมาเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจเป็นอวัยวะตับไตไส้พุงอะไรก็ตามมันก็ต้องทำหน้าที่พอไม่ไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายในลักษณะอย่างนี้ธรรมะเป็นคู่ชีวิตพอท่านทั้งหลายสนใจ ให้ดีเป็นพิเศษแล้วท่านก็จะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีในด้านจิตใจถ้ามีธรรมะแล้วชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของท่านดูให้ดีๆว่าแต่ละวันละวันชีวิตของท่านเองมันกัดแทะตัวเองหรือเปล่านั้น นี่เพราะมันขาดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นแน่นอนถ้าชีวิตเป็นกัดเจ้าของความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างความตื่นเต้นบ้างวิตกกังวอาลอาลัยอาวร อ, อิชาธิษยาห่วงหึงในที่สุดนี่ถ้าไปมีข้าวมันก็กัดเจ้าของมันจะมีธรรมะไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มี ในชีวิตมันก็ไม่กัดเจ้าของก็สนใจ <c oughs> ธรรมะเป็นเหมือนกับสิ่งสารพัดนึกใช้ได้ทุกอย่างจะไปแก้ปัญหาอะไรก็ได้ในวันนี้จะมาจะบรรยายในลักษณะที่ว่าธรรมะ <c oughs> จะทำให้หน้าที่การงานหน้าที่เลย สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬาการทํางานให้สนุกเหมือนกับเล่นกีฬาใหการงานเป็นการเล่นกีฬาหลายคนคงไม่เชื่อแล้วก็จะว่าบ้าด้วยแตอย่าเพ้อไอ้คนว่ามันจะบ้าเองเพราะมันไม่รู้จะใช้ธรรมะเพื่อจะ ท, ทําชีวิต ทังการงานหนะ้าที่นั้นให้สนุกเหมือนกับการเล่นกีฬาต้องรู้เส ก, ก่อนว่าเราแหละเป็นคนเล่นเป็นคนเล่นกีฬาแล้วก็เป็นคนดูกีฬาพร้อมกันไปด้วยแล้วก็เป็นผู้ตัดสินกีฬาด้วยถ้ามีการให้รางวัลไอเราแหละ จนผู้รับรางวัลจากการเล่นกีฬาถ้ามีธรรมะแล้วสามารถทาให้การงานอันแสนจะน่ารังเกียจนั้นสนุกเป็นเล่นกีฬาไปัคนเห็นกับตัวไม่มีธรรมะไม่อยากทำงานอยากนอนแต่อยากจะได้นั่นได้นี่มันเห็นกับตัวไม่สามารถขียเอาเปรียบอิจฉาทิษยาเพราะมันไม่มีธรรมะ ถ้ามันมีธรรมะแล้วมันจะสามารถทำให้ชีวิตหรือการงานเนี่ยให้กลายเป็นการเล่นกีฬามันเป็นกีฬาอะไรกันพอลงมือทำงานมันก็เกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่จะสำเร็จ ก็ฝ่ายที่จะเลวไหลไม่สําเร็จมันแบกเปนสองฝ่ายอย่างนี้แล้วมันก็ต่อสู้กันเหมือนกับ ก, การเล่นกีฬาในขณะทํา ง, งาน่ะมีใจิตใจรวนเลยอยากจะทําต่อไปหรืออยากจะเลิกเสียพ่ายแพ้แก่การงานพ่ายแพ้แก่ความเหน็ดเหนื่อยก็เลิกเสียนี่เราจะต้องมีการต่อสู้ ระหว่างความสำเร็จกับความไม่สำเร็จให้มันเหมือนเล่นกีฬาให้มีการต่อสู้กันระหว่างความเลี้วไหลกับความเอาจิงให้สองอย่างนี้มันต่อสู้กันถ้ามันก็มีเคล็ดลับเคล็ดลับที่ท่านจะใช้ให้เป็นผู้ชนะกีฬา นั่นแหละคือธรรมะธรรมะนะขอให้ฟังดูให้ดีๆจะธรรมะธรรมะจะช่วยให้การเล่นกีฬาในชีวิตและการงานนั้นประสรบความสาเร็จหรือมีชัยชนะได้อย่างไร้าพูดกันถึงความชนะชนะก่อนเราจะชนะ การงานนั่นเองถ้าเราทำการงานสำเร็จเราก็ชนะชนะต่อการงานนั่นเองใอรคิดดูดีๆมันมีชนะอยู่เอากล้าพูดเลยว่าเราจะชนะน้าใจในจายจ้างชนะน้าใจ ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีผู้บังคับบัญชามีนายจ้างแล้วก็มีคนคอยดูด้วยเราจะชนะน้ำใจในายจ้างชนะน้ำใจผู้บังคับบัญชาแล้วเราจะชนะด้วยการเป็นผู้แสดงความสามารถฝีม้อลายมือให้มันชนะการงาน ให้มันชนะการงานให้มันชนะน้ำใจของทุกคนที่ได้เห็นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วครั้นก่อนๆว่าเราจะทำอย่างว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกนี้ ไม่ถือเป็นนายจ้างลูกจ้างในที่ไหนถือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้ความสะดวกแก่กันและกันในการสร้างโลกนี้ให้งดงามโดยการกระทําอย่างนี้เราก็เป็นผู้ชนะคือประสบความสําเร็จในการสร้างโลกนี้ให้ทํางาน ใ, ให้งดงาม ถ้าพูดอีกทางหนึ่งมันก็จะคลือเระห์หรือเก่าโบราณสักหน่อยว่าเราจะทำงานบูชาพระเป็นเจ้าคุณเข้าใจดีว่าคำว่าพระเป็นเจ้านั้นไม่ได้ไหมายถึงพระเป็นเจ้าในความหมายของเด็กๆพระเป็นเจ้าคือสิ่งสูงสุด ถ้าเชื่อพระเป็นเจ้าอย่างเทว ด, ดายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าทำงานบูชาพราะเป็นเจ้าอย่างนั้นแล้วมันก็สำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้เขาถือกันเป็นหลักหรือลงมรติว่าไอ้งานอันใหญ่ลวงนั่นน่ะมันสำเร็จ้วยศรัทธาของบุคคลผู้ทำงานบูชาพราะเป็นเจ้า นครวัดก็ดีถ้าคุณเคยไปแล้วคุณก็รูว้ว่ามันใหญ่โตลำบากยากเท่าไหร่มันก็สำเร็จได้ด้วยศรัทธาของคู่ที่ทำงานเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องสิ่งใหญ่โตมหัศจรรย์นในโลกกี่แหง่งกี่แหงเ้มันสำเร็จส่วยลึกด้วยอำนาจศรัทธาทำเพื่อบูชาสิ่งสูงสุด อย่างนี้มันเป็นกันทั้งหัวหน้าและทั้งลูกน้องคือทั้พระเจ้าแผ่นดินผู้สร้างทั้งประชาชนผู้ช่วยนี่มันทาด้วยศรัทธาเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าตามความเชื่อถือของตนของตนว่าอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรนี่มันมีหลักการอย่างนี้แล้วมเรียกว่ามี ความชนะแหละชนะเงนินนั่นเองชนะน้ำใจในายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาทั่วไปที่ชนะการแสดงฝีมือประกวดฝีมือประกวดฝีไม้ลายมือแล้วเราก็ชนะในการช่วยกันสร้างโลกนี้ให้สำเร็จให้สวยสดงดงาม เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ช น, นะในการที่ทำเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดคือพระเป็นเจ้าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าอะไรเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดคอยมีศรัทธาตั้งใจทำงานทำหน้าที่บูชาสิ่งเหล่านั้นเกิดมันจะประเสริฐสูงสุดไปตามคือมันจะไม่เพียงเพื่อปาก เพ่อเลี่ยงปากเลี่ยงท้องหาเงินมาเลี่ยงปากเลี่ยงท้องเลี่ยงครอบครวัวมันไม่ใช่เพียงเท่านั้นมันไกลไปถึงว่าถึงสิ่งสูงสุดที่มันครอบครองดูแลมนลุษย์ทั้งส า, ากลจักรวาลเนี่ยเอาชนะนำใจหพระเป็นเจ้าเสียให้ได้อย่างนี้แล้วพระเป็นเจ้าก็จะประทานพร เรียกกันในภาษาคิาเบตเรสคือพระหันสถานพระหันสถานให้มาเป็นความสุขความเจริญความสะดวกความสบายความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างโลกภาษีอริยเมตไตรทีเดียวนั้นมันได้อย่างนั้นถ้าช น, นะแล้วมันได้อย่างนั้น อา้าวที่นี้ก็จะใช้ธรรมะอย่างไรในการทำการงานเรียกว่าเราอยู่กับฝ่ายขาวฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องฝ่ายสุจริตฝ่ายยุติธรรมนี่ชนะแน่แหละเราอยูอ่กับฝ่ายขาว เล่นกิฬาโดยอยู่ฝ่ายขาวมไม่ยอมเป็นฝ่ายดํามีการเล่นที่อยู่กับฝ่ายขาวมันก็มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งหาว่าบ้า เล่นกีฬาชนิดที่มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อยู่ฝ่ายเรานะก็คือเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าได้สอนธรรมะว่าอย่างไรในการประสบความสําเร็จเราเอามาใช้นี่ก็เหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าสนับสนุนอยู่หลังฉากหนึ่งอย่างนี้นะว่าทํางานอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ จะจำคำนี้ไว้ทีจะเห็นว่าบ้าบ้าบอบอกับใจแต่ขอช่วยจำไว้ทีเะจะมีประโยชน์ที่สุดแหละมีจิตใจอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์อ้าวที่มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์เห็นได้อย่างไรมันก็คือมีธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่ขึ้นปาาขึ้นใจกันอยู่เป็นนักเป็นหนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุป บ, บาทอีกอย่างหนึง่งคราวาสธรรมนี้อย่างหนึง่งสัพุริสธรรมนี้อย่างหนึง่งมันกลายเป็นสามหมวดแต่ก็ไม่ลำบากยุ่งยากอะไรเข้าใจได้ไง่าย ปฏิเจสมุบาตมีอยู่สอย่างคือฉันทะความพอใจความรักที่จะทำนี่มาก่อนเยต้องพอใจต้องบริสุทธิ์ใจต้องพอใจใหเห็นความดีความจริงความประเสริร์ความวิเศษของงานนั่นแล้วมันอยากจะทำไม่ใช่ฝืนใจทำเหมือนกับพวกอันธพาล องอันตพานเนี่ยเไม่ตั้งใจจะทําก็อยากจะเอาเงินอประยชน์เขาเล่นจี้ไปตามเรื่องของพวกนี้ไม่อยากจะทำงานเห็นเงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเหงื่อมันจะออกมาเป็นน้ำมนต์หรือเป็นน้ำเย็นนี่คือประโยชน์ของฉันพระฉันพระอิทธิบาททำเป็นเครื่องทำความสำเร็จเรียกว่าฉันพระ คือพอใจที่จะทำนี่มันต้องมาก่อนถ้ามันไม่มีความพอใจที่จะทำเนี่ยมันก็ตกในโลกตั้งเป็นเลยมันฟื้นทำมันไม่สนุกเนี่ยเงือออกมาจะเป็นน้ำร้อนจริงๆด้วยแต่พอใจที่จะทำรักบูชาเงินที่จะทำเงื่อออกมาเป็นน้ำมนต์ส่งเสริมให้สนุกยิ่งๆขึ้นไปในการที่จะทำ ข้อสองเรียกว่าวิริยะคำนี้แปล ว, ว่าความภากเพียรก็ได้แปล ว, ว่าความกล้าหาญก็ได้เพราะว่าถ้าไม่กล้าหาญมันภากเพียรไปไม่ไห ว, วมันต้องมีความกล้ามีความแน่ใจมีความทชงว่าเราทำได้แล้วความเพียรมันก็จะมีแล้วมันก็ทำทำทำทำไป เรียกว่าวิริยะเป็นพลังอันมหาศาลทีนี้พ่อถัดไปเรียกว่าจิตตะคือความเอาใจใส่มันรักที่จะทำแล้วมันเอาใจใส่เหมือนพ่อแม่รักลูกมันเอาใจใส่เลือประมาณนั้น ก็ให้มีการเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานที่ทํำนั่นแหละให้เหมือนอย่างนั่นแหละเรียกว่าจิตตะก็สุดท้ายเรียกว่าอวิมังสาสอบส่องวิจัยวิจารอยู่เสมอไปในหน้าที่การงานที่กําลังจะทำอยู่อย่าคิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรลึกลับอีกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว นั่นคนโง่คุณคนขี้เกียดมันจะคิดอย่างนั้นศัตรูุุษจะมองอยู่เสมอว่าจะทําอะไรให้ดีขึ้นไปกว่านี้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ให้ดีขึ้นไปกว่านี้ี่ภิลานิตเสือนี้ก็ตั้นที่เรียกว่าวิมังสาท่องไว้ให้กุญแจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา คือความรักที่จะทำความพยายามทำความเอาใจใส่ทำความสอดสองแก้ไขปรับปรุงทำมันสี่อย่างแล้วไม่จเจริญจะเป็นยังไงมีวพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์หมายความว่าอย่างนี้อาทีนี้เธอเข้มข้นข้ามามีน้ำหนักมากขึ้น <c oughs> เรียกว่าคราวาัสธรรม ในหลวงจะนเอามาประกาศให้ถือเป็นหลักของประชาชนทั่วไปในวันสองร้อยปีหนะึ่งพี่จะน้ําหลวงหนึ่งพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เรียกว่าคราวาดจะรมาจะมาแรกบวชประเทศจะเรื่องนี่ไปเทศสอนประชาชนประเทศแต่เรื่องนี้ตั้ห้าร้อยครั้งเห็นจะนะในครราวาหัสธรรม คือสัจธรรมกันติจาคะสัจธรรมกันติจาคะสัจธรรมกันติจาคะ <c oughs> นี่หัวใจของความเป็นคาราวาสเรียกว่าคาราวาสธรรมสัจจะนั่นคือความจริงจริงใจจริงจริงจริงไม่คดไม่โกงไม่ห <c oughs> ลอกลวงอะไจริงต่อ เวลาจิงต่อบุคคลจริงต่ อ, คคตอหน้าที่การงานในประเสริฐที่สุดนี่มันจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนถ้าไม่จิงต่อความเป็นมนุษย์ของตนมันจะเป็นหมานะขอใช้คำยาบหยาบตรงๆอย่างนี้ ถ้สัจจะจริงจริงจริงจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตนมนุษย์จะต้องเป็นอะไรจะต้องเป็นอย่างไรจะต้องทําอย่างไรจริงอืมเมื่อมันแน่นอนนะทีนี้มันจริงต่อความเป็นมนุษย์แล้วอะไรก็ไม่มีปัญหาเมื่อมีความจริงแล้วก็มีธรรมะธรรมะทศฐานมอมะนี่แปลว่าการบังคับให้มันจ บังคับให้มันยังคงจิงจิงจิงอยู่ได้นี่แรียก็า่าธรรมะมันจะยุ่งยากลำบากเท่าไรก็จะบังคับให้ได้ความข้อนี้ก็เปรียบไว้ว่าเหมือนนายช้างที่ฉลาดสามารถบังคับช้างที่ตกมันจิตใจบ้าบอเลวไหลมันมันอาลวาดมันเลวไหลมันยุ่งยากมันก็ช้างตกมัน แต่ความช่างที่ฉลาดสามารถบังคับไว้ได้นั้นเราก็เป็นเหมือนกันในความช่างที่ฉลาดบังคับจิตที่เหมือนช่างตกมันไวหวได้ไม่ยอมให้เสียสัตจะไม่ยอมให้เสียสัตจะโดยเฉพาะสัตจะในความเป็นมนุษย์ของตนอยอมพลังเพลาดกลายไปเป็นสัตว์เสียเนี่ยขอให้แน่ใจแล้วบังคับให้มันถูกตามความแน่ใจ ข้อที่สามขันตีขันตีขันตีนี่ก็แปลว่าความอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนจนถึงประสบความสําเร็จคําว่าขันตีเนี่ยเขาแปลกันว่าอดทนที่จริงตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าความสมควรที่จะได้รับผล คำว่าคำว่านี่แปลว่าควรมีความสมควรมีความเหมาะสมที่จะได้รับผลของการกระทาแต่ว่ามันสาเร็จมาจากการอดทนดังนันคันตีก็แปลว่าทนทาให้สาเร็จทนทำให้สาเร็ จ, ทท ใ, หรจให้ควรแก่การรับผลของการงานหนึ่ง ข้อสุดท้ายจ้ว่าจาคะจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนค้อนี้ต้องยุติธรรมหน่อยต้องเป็นคนซื่อสัตว์เขารบความจริงให้มันจึงจะตัดสินลงไปได้โดยถูกต้องเนี่เด็ดขาดว่าอะไรควรมีอยู่ในตนอะไรไม่ควรมีอยู่ในตน ถ้ามันไม่เป็นคนจริงมันตัดสินไม่ได้มันก็ทาไม่ถูกมันก็ลาเอียงเห็นมันก็เอาขวดเหล้ามาเป็นสิ่งที่ควรมีในตนเอาสะหนามมามาเป็นสิ่งที่ควรมีในตนเอาสถานเริงรมมาบ้าบออนะไรนี่มเป็นสิ่งที่ควรมีอยู่ในตนมันก็ไม่สละ แต่ถ้าว่าเห็นอ้าวไอ้นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรมีอยู่ในตนนี่สะละเสียหมดอวายวะมุกทั้งหลา ย, เ, ยเป็นปากทางแห่งอบายดื่มน้าเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจฉาทิพย์ทาการงานอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นอวัยวะมุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเสื่อมทุกอย่างไม่ว่าไงมันเสื่อมหมดเลย ใ่ปากทางนี้อย่าเอากรมันสละออกไปสละออกไป <c oughs> ไม่มีใครรับแล้วไม่มีใครรับรแล้วเดี๋ยวเราก็สละออกไปสละออกไปสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าจาขะนั่นก็เลนได้เป็นสี่อย่าง เครื่องมือต่อสู้ประสบความสําเร็จของคาราวาสคือสัจะธรรมคันติจากะสัจะธรรมคันติจาาักขะขอให้คล่องปากที่จะพูดขอให้คล่องเมื่อตัวร่างกายจิตใจในการที่จะทําคล่องจิตคล่องใจรู้สึกคิดนึสว่างไสว แกนแจ้งอยู่เสมอในคราวาสธรรมสัจะธรรมะกันติจากขะหมวดที่หนึ่งเรียกว่าอิทธิบาทฉันทะวิริยะกิตติมังสาหมวดแรกนี่ทำให้มีฤทธิ์มีเดชประสบความสำเร็จหมวดที่สองเป็นคู่มือของคราวาสสัจะธรรมะกันติจากขะ นี่ขอแถมอีกสักหวดหนึ่งเรียกว่าสัพปุริสธรรมแล้วธรรมะของสัตบุรุษคือธรรมะของคนดีคนถูกต้องหรือจะเรียกว่าสุภาพบุรุษก็ได้ธรรมะของสุภาพบุรุษแต่ในบาลีเขาเรียกว่าสัตบุรุษคํานี้ใช้ตั้งแต่ต่ําต่าขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์สัตบุรุษนี่ มหยุดเจ็ดอย่างเขให้ช่วยฟังให้ดีๆแล้วคล่องปากคล่องใจว่าเหตุผลต้นประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลต้นประมาณการ บริษัทแล้วก็บุคคลเป็นผู้รู้ในเรื่องอทั้งเจดเรื่องเนี่ยรู้จักเหตุว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญขอเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะเชื่อได้ด็ดขาดว่าสิ่งทั้งพวงมันมีเหตุถ้าเป็นเรื่องในโลกนี้สิ่งทั้งพวงมันมีเหตุตอืเราหาเหตุให้พบ วาอเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญว่าเหตุนี้มันจะให้เกิดผลอะไรนี่นเรียกว่าเหตุที่รู้จักผลว่าผลอะไรที่ควรต้องการอย่าไปเอาเรื่องบ้าเรื่องบอรเรื่องเกินเรื่องเฟ้อมาเป็นผลที่ควรต้องการ เผลที่ถูกต้องแท้จริงที่มันทําความสงบเย็นให้แก่ชีวิตทำชีวิตเนี่เป็นประโยชน์นั่นแหละผลอย่างนั้นแหะแท้จริงเรารู้ชัดว่าผลนี่มันมาจากเหตุอะไรถ้าต้องการผลอย่างนี้จะต้องทําเหตุอะไรข้อแรกรู้เหตุว่าจะเกิดผลอย่างไรข้อที่สองรู้ผลว่ามันจะเกิดมาจากเหตุอะไรรู้เหตุรู้ผลข้อที่สามรู้ต้น รู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอย่างไรนี่ควรจะแสดงฝีไม้ลายมืออะไรดีที่สุดนี่เรียกว่ารู้จักตัวเองอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกินรู้จักตัวเองว่าอยู่ในฐานะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรรู้จักตัวเองให้เพียงพอไม่ยกหูชูหางแล้วก็ไม่น้อยเงาสาวอยง้อยเง า, างงงไม่ น้ำลงตนใี้มันพอดีนี่เรียกว่ารู้จักตนนี่ข้อที่สีเรียกว่ารู้จักประมาณประมาณคือคำนี้บาลีเรียกว่ามาตรามาตราแปลว่าประมาณประมาณประมาณนี่มีได้ในทุกสิ่งมันมีประมาณที่พอดีไม่ว่าอะไรการศึกษา การทำการงานการได้เงินการหาเงินการใช้เงินการมีเงินกา ร, กา ร, การอะไรเกี่ยวข้องการสังคมอะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างแหละมันจะต้องมีประมาณที่พอดีที่พอเหมาะอย่าให้มันเกินประมาณอย่าให้มันขาดประมาณแข็งข้อทำให้เต็มประมาณไม่เรื่อไนี่เรียกว่าประมาณ ห, มห้า เรียกว่ากาลกาลแปลว่าเวลาแปล ว, ว่าเวลารู้จักว่าเวลาไหนควรทําอะไรเวลาไหนควรทําอะไรถ้าทําผิดเวลามันมีจะคนบ้าถ้าทําถูกต้องการเวลาเนี่ยคนปกติเวลาไหนควรทําอะไรเดีย๋ยวนี้มันเอาเวลานอนไปอาบายมุกเสียไปสถานเริงรมเสียนี่มันผิดเวลาอย่างนี้ เขาให้รู้จักเวลาทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องกับเวลาอยู่ที่บ้านก่อนไปออกฟิศอยู่ที่ออฟฟิศกลับมาบ้านเขาหาสามาธิในเวลาไหนาควรทําอะไรควรทําอย่างไรให้มันถูกตามเวลามันจะง่ายมันจะง่ายให้มันจะง่าย อสิ่งที่ควรทําในระดูแล้งไปทําในระดูฝนมันก็บ้าสิ่งที่ควรทําในระดูฝนไปทําในระดูแล้งมันก็บ้าฮงมันไม่รู้จักเวลาแม้แต่เรื่องเล็ ก, เ ล, กเล็กน้อยน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยที่สุดนะั่นก็จะต้องทาให้มันถูกกับเวลาอย่าเอาเวลาที่จะทํางานการงานอะไรได้ไปดูทีวีเสีย มันจะผิดเวลา <c oughs> ขอให้รู้จักเวลาเวลาเวลาเฉพาะเรื่องเฉพาะกิจของตนของตนอย่าให้เวลามันกัดเอาอย่าให้เวลามันกัดเอาคืออย่าทำโดยความวังงโดยความหิวทำการทำงานทั้งหลายอย่าทำโดยความวังอย่าทำโดยความหิวบ้าบ้าบอๆอมันเขาพูดกันดูมันขี้ปากของพวกแฝงเนี่ ทำงานด้วยความหวังเราไม่ทำงานด้วยความหิวเราทำงานด้วยสติปัญญาเราคิดออกแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรทำไปตามสบายใจด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ทำด้วยความหิวไม่ทำด้วยความหวังเด็กๆมันจะเป็นโรคตายสะหมดนั่นนไปยุให้มันทำด้วยความหวังความหวังนันมีและหวังว่าจะทำอะไรจะเป็นอย่างไรก็คิดให้ตกลงนั่นมันเป็นความหิวนั่น เมื่อความหวังเสร็จไปแล้ว ก, ก็ทำอะไรที่ทําด้วยสติปัญญาอย่างเยือกเย็นอย่างสบายนี่อย่างนี้เรียกว่าเวลามันไม่กัดเอาถ้าเราทําด้วยความหิวความอยากเหมือนกับเปรตอยากหิวจใจจะขาดอย่างเรียกว่าเวลามันจะกัดเอานึกจาททาอย่าให้เวลามันกัดเอาให้ชนะเวลาอยู่เนื้อเวลา มีแต่ความสาเร็ จ, จมีเรียกว่ารู้จักกาลเวลาที่นี่ก็ข้อที่หกก็รู้จักบริษัทบริษัทคือสังคมนะคุณจะต้องรู้จักสังคมเรียกว่ารู้จักบริษัทคือคนมากๆรวมกันบริษัทนี้ก็ทำอะไรบริษัทนี้เขามีอะไรเป็นอย่างไรรู้ให้ดีๆบริษัทมันแปลว่า น, นั่ง ลรอมรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบริแปลว่ารอบสัตว์แปลวันนั่นมันนั่งกันประชุมรอบรอบวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าบริษัทธ์อย่างเขาตั้งบริษัทธ์อย่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหลายคนมนันนั่งรอมรอบกันคิดนึกกระทำํำนียก็บริษัทธช่วงที่ทุกคนตั้งไปก็ก็เรียกว่าบริษัทธ์เหมือนกัน พราทุกคนต้องไปรวมกันที่นั่นคำว่าบริษัทนั่แล้วอ่าหมู่คณะของบุคคลน น, นั่งล้อมประชุมกันการทาแก้ไขอะไรกวัตถุประสงค์ให้สําเร็จเราจะเข้าไปหาบริษัทไหนจะต้องรู้จักบริษัทนั้นให้ดีใหญผิดวัตถุประสงค์ของเขาใหญ่ขัดคอเขาให้มันกลมกลืนกันไปกักบอ่าอุดมคติของเขา เราก็จะได้รับประโยชน์จากการเข้าไปหาบริษัทก็สุดท้ายที่ข้อที่เจ็ดเรียกว่าบุคคลบุคคล น, นี่เฉพาะคนคนเดียวรู้จักให้ดีคนคนเดียวแต่ละคนแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนดูมันจะไม่เหมือนกันแต่คนเดียวดูหน้ามาันสิตั้งร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนหน้ามันายังไม่เหมือนกันเลย <c oughs> จันจำได้ว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรนี่เรารู้จักบุคคลแต่ละคนที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้มันถูกต้อง <c oughs> เรียกว่าบุคค ล, ลก็สามารถประสานงานกันได้ดีไม่เป็นศัตรูแต่เป็นมิตรยามสนิทสนมแก่กันและกันที่เรียกว่ารู้จักบุคคลคำเจ็ดคานี้ <c oughs> ให้ผลดีคุ้มค่าการจดจําเอาไว้ว่าเหตุผ ล, ต น, คค ล, ผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลต้นประมาณการบริษัทบุคคลเหตุผลต้นประมาณ การบริสัสธบุคคลให้มันขึ้นใจเป็นมนสัจติดมันจะคุ้มครองอไม่ความผิดสลาดเข้ามาแม้แต่สักนิดหนึ่งนี่มันจะมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปเที่ยวหมดถูกต้องถูกต้องพอใจทุกกระเบียดนิว้วทุกเวลาเลยถ้าว่ามีสัพปุริสธรรมในลักษณะอย่างนี้นี่นี่สามวันพอแล้ว เกิพอแล้วอยากจะเรียกว่าเกินพอหรือสั้าไปมีอิทธิบาทสี่สันทะิวิยาจิตตะวิมังสามีคราวาธรรมสี่มีฉันทะมีสัจธรรมะคันติจากขะมีสัพุยธรรมเจ็ดคือรู้จักเหตุผลเตนประมาณการบริษัทบุคคล ถ้าทําอย่างนี้ก็จะว่าเล่นกีฬาอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ไม่ใช่จะพูดจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าใครทําอย่างนี้จะมีเสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ามาเป็นกองเชียร์อยู่โดยแน่นอนเรียกว่าทํางานเป็นกีฬาคุณอย่ารังเกียจ ว่ากีฬาเป็นเรื่องเลวหลายตะกีฬามันก็เป็นเรื่องที่ทําให้สบายใจเนทําให้ไม่เห็นเกิตัวทําให้จิตใจสูงขึ้พวกพระอริยเจ้าก็ดีพวกฤๅษีชีไพยก็ดีก็เล่นกีฬาถ้าฟังไม่ถูกจะบอกให้ว่าพระอริยเจ้าก็ดีฤๅษีชีไพยก็ดีก็เล่นกีฬา คือท่านหาความเพลิดเพลินพอใจในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของท่านฤาษีทั้งหลายก็เข้าฌานเข้าฌานนั่นเข้าฌานนี่ออกฌานนั่นออกฌานนู่นเล่นกีฬาอย่างนี้พระอริยเจ้าท่านก็เข้าสมาบัติอย่างนั่นสมาบัติอย่างนี่สมาบัติอย่างนู่ น, น, นเหมือนกันเล่นกีฬา ข้าวชาแน่นนับเดือนไม่เคยยื่นเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นภาสุขทุกคืนวันใครเคยอ่านหนังสือนี่แบบเรียนสมัยเก่าแบบเรียนหนังสือสมัยเก่ามูลระบบข้าวชาแน่นานับเดือนเป็นเดือนเดือนเลยไม่เคยยื่นเคลื่อนกายา มันมัแนคงแน่ๆยำซีนกินวาตาคนโง่มันก็ว่าตายกินลมมันก็ตายท่านกินปีติปราโมทปีติปราโมทที่ความสำเร็จความพอใจมีปีติปราโมทหลอเลี้ยงไม่ต้องกินข้าวก็ได้ ข, ข้อความในบาลีํำนานก็มีว่าพระพุทธเจ้าจรัรู้แล้วไม่ ตั้งฉันอาหารตั้งสี่สิบเก้าวันมันอยู่ในปีติปราโมดต้องการวันลุนั่นฤาษีชีไพรจำศีนจินวาตาเป็นผ้าสุขทุกคืนวันไม่ส่องะอะไรปราโมดปีติที่เกิดมาจากชานเกิดมาจากสมาธิมันหล่อเลี้ยงให้อิม่มอิ่มอิมอิ ม, อ ม, อมยิ่งไปกว่าอิ่มซะอีกนี่บอกให้รู้นะว่าไม่ใแต่พระอริยเจ้าไม่แต่ฤาษีชีไพร ก, ก็เล่นกินลา มันขอให้ทำทุกอย่างให้มันเป็นความสนุกสนานมันกันเล่นกีฬา่ะมันจะมีผลทางจิตใจสูงสุดคือทําลายความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้มันมีกีฬาบ้าๆบอๆอะไรมันก็รู้มันเอาชนะเอาแพ้แล้วมันโคดโกงกันอย่างยิ่งอยู่ในสนามกีฬามันพร้อมที่จะคดโกงทุกกระเบียดนิ้วทุกประมาณูในสนามกีฬา่ะคุณไปดู่ ต้องมีตัดสินลงโทษนักกีฬามันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ใช่นักกีฬาหรอกมันนักขี้โกงมันไม่สนุกในความถูกต้องถ้าเป็นนักกีฬาต้องไม่โกงไม่โกงแม้แต่เส้นผมนี้ <c oughs> มีความเป็นนักกีฬานี่เรียกว่าทำให้ชีวิตเป็นกีฬาทำให้การงานเป็นกีฬา แข่งขันต่อสู้กันอยู่ระหว่างฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ำฝ่ายผิดกับฝ่ายถูกฝ่ายสำเร็จกับความไม่สำเร็จขอยทุกคนทำางานให้เป็นการเล่นกีฬาอยู่กับฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ชนะแน่ชนะแน่ชนะแต่จะชนะทุกอย่างชนะโดยปับการทั้งปง <c oughs> ขอให้สนุกในการต่อสู้ให้ชนะให้ชนะฉันจะต้องชนะชนะอย่างที่ว่ามาแล้วชนะการงานก็ได้ <c oughs> ชนะในการแสดงฝีมือลายมือก็ได้นะแสดงชนะนายจ้างผู้บังคับบัญชาก็ได้ฉันมีแต่ชนะ อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะามาพูดให้ฟังาทำการงานหน้าที่การงานให้เหมือนกับการรบรบยุดยุดทะแปลว่ารบพุ่งให้ชนะความการรบนี้ไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่าใครให้ตาย <c oughs> แต่ว่าต้องการจะรักษาชีวิตของตนรักษาความถูกต้องรักษาความเป็นธรรมรักษายุติธรรมในโลกถ้ารบอย่างนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทําบาปหรอทหารไม่ใช่มีหน้าที่ฆ่าคนทหารมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยถูกต้องเป็นธรรมยุติธรรมรักษาชาติประเทศ นี่มันมันต้องมีการรบมันรบกับข้าศึกเน่เพราะว่ามันมีค้าศึกไม่ว่าอะไรมันมีค้าศึกคือฝ่ายตรงกันข้ามเสมอรบชนะเท่าไรก็มีผลดีเท่านั้นในทางธรรมะล้วนๆก็มีคำพูดที่คุณอาจจะไม่เข้าใจการให้ทานเหมือนกับการรบ ทานันจะยุทธันจะสมานามหุท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวการให้ทานกับการรบว่าเท่ากันหรือว่าเสมอกันการรบมันก็ต้องรบให้ชนะการให้ทานมันเป็นการรบกับทิเลสความเส น, น่ความหวงแหน ไม่ยอมสละสิ่งที่ควรสละแก่ผู้ควรสละในกรณีที่ควรสละมันไม่สละนี่มันรักชาติแต่ปากไม่ได้ช่วยชาติโดยแท้จริง <c oughs> มันจะต้องมีการเสียสละที่นี่จิตมันไม่เสียสละ อ, อ๋าต้องรบกับจิตให้ชนะรบชนะเท่าไหร่มันก็ให้ทานเท่านั้นแหละ คุณรบชนะจิตสิบบาทก็ให้ทานสิบบาทรบชนะจิตพันบาทก็ให้พันบาทมื่นบาทรบชนะความขี้เดียวเท่าไรมันจะให้ไปเท่านั้นรบชนะความชั่วเท่าไรความดีมันจะเกิดขึ้นมาเท่านั้นคุณรบชนะหน้าที่การงานเท่าไรผลงานมันก็จะเกิดขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องสงสัย ืยังต้องทํา ง, งานเหมือนกับการรบผ่าศึกรบชนะเท่าไรพ้นดีก็เกิดขึ้นเท่านั้นในทางจิตใจเขาก็ยังพูดอย่างนั้นชนะความขี้เหนียวสนีเท่าไรก็ให้ทานเท่านั้นะเท่ากันดิกเลยชนะความขี้เหนียวน้อยก็ให้นิดเดียวชนะความขี้เหนียวมากก็ให้มากมันแล้วแต่เหตุปัจจัยอหรือ ความสมควรในที่มันรบอยู่ตลอดเวลาก็คือความรู้สึกฝ่ายสูงความรู้สึกฝ่ายต่ำขอสังเกต ด, ดูดีๆนะคนเรานะ่ะมีผีอยู่สองตัวนะเป็นเทวดาฝ่ายสูงเป็นผีฝ่ายต่ำ มันจะรบกันอยู่เรื่อยอันหนึ่งมันอยากจะฝ่ายฝ่ายต่อันหนึ่งมันอยากจะฝ่ายฝ่ายสูงความรู้สึกฝ่ายต่ำกับความรู้สึกฝ่ายสูงมันจะช จ, จะรบกันอยู่เรื่อยไปนี่นี่อย่างนี้ยชีวิตมันเป็นการรบซ <ś> ะ <ed> เลยแหละแล้วการงานนี่ก็เหมือนกันถ้าความรู้สึกฝ่ายสูงมาเกี่ยวข้องก็สําเร็จความรู้สึกฝ่ายต่ำ ม, มาเกี่ยวข้องมันก็ล่มละลาย เมื่อในตัวหน้าที่การงานมันก็มีการรบกันระหว่างฝ่ายต่ำกับฝ่ายสูงเม่อคอยเราเป็นนักรบที่ดีเป็นนักรบที่ดีเป็นฝ่ายสูงชนะฝ่ายต่ำให้ได้เป็นนักรบฝ่ายขาวมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ก็ได้เหมือนกันนะแม่คอยมันยึดถือเอาธรรมะธรรมะเป็นหลัก สำคัญประจำใจธรรมะธรรมะความถูกต้องขอให้จดจำว่าจะพูดอย่างไม่กลัวใครรำคาญนะพูดซ้สำส้ำซาก่าอยู่นี่ว่าธรรมะธรรมะคือระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดถูกต้องแก่ความรอดรอดแล้วก็ รอดนี่ทั้งทางกายทางวัตถุทางจิตใจรอดทั้งทางวัตถุรอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตใจแล้วก็รอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการคือรอดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขั้นตอนแห่งวัฒนาการและรอดทั้งตนเองและรอดทั้งผู้อื่นอย่ารอดคนเดียวอย่ารอดแต่ตัวเองเขาให้รอดทั้งผู้อื่นด้วย นี่คือตัวธรรมะธรรมะแท้จริงคืออย่างนี้ธรรมะอย่างอื่นไม่ใช่อะธรรมะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำสั่งสอนพูดผิดๆธรรมะคือคำสั่งสอนนั้นไม่ถูกธรรมะคือการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัตินั่นแ่ะคือธรรมะมันคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ธรรมะคือระบบการปฏิบัติทาไมต้องพูดว่าระบบเพราะมันต้องทาหลายอย่างทั้ถูกต้อง รวมกันธรรมะนี่มันมันต้องปฏิบัติครบถ้วนทุกอย่างแหละอย่างว่าฉันทว า, าวิริยะจิตตามังสามต้องครบทั้งสี่เป็นระบบสัจธรรมะขันตรีจารค่ะก็ครบทั้งระบบรู้เหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลมันเป็นระบบมันต้องปฏิบัติทั้งระบบไม่ใช่ปฏิบัติเพียงอย่างเดียวจริงจังเรียกว่าระบบการปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแต่การเล่าเรียนต้องบนไม่ใช่เราก็ต้องถูกต้องถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี่มันตามความหมายของทางธรรมะไม่ใช่ถูกต้องของกิเลสถ้าถูกต้องของกิเลสมันก็วินาศถูกต้องของธรรมะคือไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์ฝ่ายเดียวถ้าถูกต้องของกิเลส มันก็มีแต่โทษไม่มีประโยชน์เลยถูกต้องถูกต้องไม่อย่าใช้หลักคํานวณอะไรมันยุ่งนักอย่าไปมัวเรียนลอจิกอย่าไปมัวเรียนฟิลโอดัฟฟี่อย่างไรดีอย่างไรถูกเขาบ้าเรียนทั้งโลกวยการพุทธบริษัทมีความถูกต้องของตนเองว่าถูกต้องคือไม่ให้โทษกับฝ่ายใดแต่ให้ประโยชน์กับทุกฝ่ายนี่คือความถูกต้องถูกต้องถูกต้อง โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แต่พูดให้ชัดว่าถูกต้องแก่ความรอดเพราะสิ่งสูงสุดนั้นคือความรอดเพราะไม่รอดก็คือตายไม่รอดก็คือทุกข์ไม่รอดก็คือตายถ้ารอดก็คือไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์รอดจากความทุกข์นั่นแหละสําคัญ ที่ความรอดที่มันมีทั้งทางฝ่ายวัตถุสิ่งของฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจอย่างนี้วัตถุมันก็ไม่ถูกต้องมันก <c oughs> ไไไไ็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีมันความมั่นคงอะไรท่าวัตถุมันไม่ถูกต้องคือมันไม่รอดทางวัตถุคือทางวัตถุมันไม่มีถูกมันไม่ไม่ถูกต้องมีมากเกินไปมีน้อยเกินไปมีไม่ถูกจุด วัตถุกประสงค์ไปดูที่บ้านเรือนนั้นมีอะไรจะเป็นส่วนเกินบ้าบ้าบอๆไม่ต้องมีก็ได้ไปดูที่โฆษณาขายของในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกอย่างลูกจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีโดยมากเนยเขาก็ขายกันจนได้คนก็ซื้อกันจนได้นี่มันไม่มีความถูกต้องทางวัตถุมันไม่ถูกท้องทางวัตถุ ใมันถูกต้องทางร่างกายให้มีสุขภาพอนาไมาดีมีกําลังแข็งแรงที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานเยือกเย็นไม่เป็นโรคไม่เป็นโรคมะเร็งไม่เป็นโรคเอดไม่เป็นโรคอะไรทั้งหมดนั่นก็เรียกว่ามันถูกต้องในทางร่างกายแล้มันถูกต้องในทางคิดใจ คือคงอยู่ในความถูกต้องเป็นโพธิเป็นสติปัญญาไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความโง่โมหะหลงไหลนี่เรียกว่าความรอดทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทาง จ, จิตใจที่เราไปนี่เรียกว่ารอดทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ หมายความว่าชีวิตมันเปลี่ยนเรื่อยนะมันเป็นขั้นตอนขั้นตอ น, น, ตอนแห่งวิวัฒนาการมันไม่ได้ส้ำรอยเนาะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการมันไม่ได้ส้ำรอยมันน้อถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการอา้าวทีนี้อันสุดท้ายว่าอทั้งของตนเองและของผู้อื่น คนเห็นแต่ตัวมันคิดแต่เรื่องของตนเองไม่คิดถึงเรื่องผู้อื่นไม่ไหวคอยนึกถึงว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เขายกโลกให้เราทั้งโลกเราอยู่คนเดียวในโลกเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายอยู่ดีอยู่คนเดียวในโลกมันต้องนึกถึงผู้อื่นว่าธรรมชาติสร้างมาให้อยู่ด้วยกันเป็นหมวดเป็นหมู่ คนก็อยู่กันมากๆสัตว์ก็อยู่กันมากมากจนไล่ไม่จนไล่นี่มันก็อยู่กันมากมากเรองต้องนึกถึงผู้อื่นที่จะอยู่ร่วมกันขอให้มีประโยชน์ครบถ้วนว่าประโยชน์ตนเองก็มีประโยชน์ผู้อื่นก็มีประโยชน์ที่พันสัมพันธ์ขวัเกี่ยวกันแยกไม่ออกก็มีประโยชน์ประโยชน์มันมีสามอย่างอย่างนี้ประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่ เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างแยกกันไม่ได้นี่เขาให้มีประโยชน์ทั้งสามนี่จริงกว่าทั้งตนเองแหละผู้อื่นโอค้คอยย้ำอีกีเชื่อตั้งใจฟังให้ดีจำให้ดีว่าธรรมะคือหน้าที่ได้แก่ระบบของการปฏิบัติ แล้วก็ที่ถูกต้องแ ก, แก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นเนี่ยคือธรรมะธรรมะลองมีธรรมะนี่มีมีสิ่งสูงสุดประเสริฐที่สุดแก้ปัญหาได้หมด ใครมีธรรมะคนนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ในการทำหน้าที่การงานนั้นขอชันทังลายประสบความสำเร็จในการทำงานให้เป็นสนุกสนานเหมือนกินลาทำงานอาชีพเรือารทาสวนทนํานาทําอะไรที่ออฟฟิศทำหน้าที่อาชีพมันก็ถูกต้อง ก็ทำหน้าที่บริหารร่างกายอยู่ที่บ้านที่เรือนกินข้าวอาบน้ำผายาราภาษาว่ก็รวมอยู่ในนี้ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านทูเรือนก็รวมอยู่ในนี้มันถูกต้องเนี่ยถูกต้องในการบริหารชีวิตแล้วก็ถูกต้องทางสังคมบุคคลที่สองออกไปจากตัวเราเรียกว่าสังคม ในครอบครัวนี่ก็เป็นสังคมในครอบครัวออกไปนอกครอบครัวเพื่อนบ้านเรืองเพื่อนก็ทำเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นอะไรเป็นโลกเราเรียกว่าสังคมสังคมเป็นสังคมให้ถูกต้องถูกต้องในอาชีพถูกต้องในการบริหารชีวิตถูกต้องในทางสังคมมีความ ถ, ถูกต้องอย่างนี้แล้ว มันก็เป็นสนุกสนานชื่นใจเป็นเหมือนการเล่นกีฬาอยู่ตลอดเวลาทําการงานให้สนุกเหมือนเล่นกีฬามันมีความสุขในตัวการงานนั่นเองไม่ต้องไปสแสวงหาความสุขที่ไหนกันอีก เพราะว่ามันหาได้ในตัวการงานนั่นเองเรียกว่ามีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะชีวีมีธรรมะเป็นชีวิตและชีวิตก็จะสนุกสนานเหมือนการเล่นกีฬาและชีวิตก็จะเป็นความสุขอยู่ในตัวชีวิตเอง เป็นชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของแม่แต่นิดเดียวนี่อานิสงส์ของธรรมะขอแสดงความยินดีพอใจในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาธรรมะ <c oughs> เพื่อการศึกษาก็ดีเพื่อนาที่การงานก็ดีล้วนจะมีประโยชน์สูงสุดขอแสดงความยินดีในการมา โดยที่ไม่ต้องอวยพรนะท่านทั้งหลายก็ประสบความสำเร็จเจริญงอก ง, งามอยู่เป็นสุขทุกข์ที่ภาราติการเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องอำนวยให้อํานวยให้มีพระพุทธเจ้าเป็นกองเชียร์ขอหยุดตีการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลา